ใครที่บอกว่าผีปอบไม่ดุอย่าได้ชล่าใจแล้วก็อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะคะมีชาวบ้านโชคร้ายตกเป็นเหยื่อให้กับปอบเข้าสิงร่างมาแล้วนับไม่ถ้วนเล่ากันว่าคนจังหวัดสุรินชอบเล่นคุณใสาบางคนอาจจะถามนะคะด้วยความที่ไม่รู้ว่าแล้วคุณใสมันเกี่ยวอะไรกันกับปอบ ตอบได้เลยว่าเกี่ยวกันมากเลยนะคะก็คือคนประเภทนี้นี่แหละตัวดีเมื่อผู้มีอาคมร้อนวิชาขึ้นมาไม่ยอมปล่อยของปล่อยวิชาออกจากตัวเป็นได้เรื่องแน่ค่ะทั้งของหรืออาวิชาก็จะย้อนเข้าตัวทีนี้ก็กลายเป็นปอบล้ะค่ะฟังแล้วหลายหลายท่านยังคงอยากจะมีวิชาอาคมหรือว่าอยากจะลองเล่นคุสายกันอยู่หรือเปล่าคะผู้ที่เล่าเรื่องปอบให้เราฟังคือคนจังหวัดสุรินทร์ โดยกำเนิดนะคะก็สมมุติชื่อว่าตาสุกค่ะเรื่องที่นำมาเล่านี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้กุหรือว่าปั้นน้ำเป็นตัวเอามาเล่าแต่อย่างไรแกเห็นมาอย่างไรแกก็เอามาเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงที่ได้เห็นมามีหน้าคนสุรินถึงได้เป็นคนที่พูดจริงทำจริงนะคะเท่าสุกเปิดเผยกับเราค่ะบอกว่ามีคำคมโบราณกล่าวไว้บอกว่ามาสุรินต้องกินสุรา ถ้าจะเป็นจริงแล้วคะ่ะแต่ทุกวันนี้คนที่มาสุรินทร์เขาจะมาดูช้างเพราะที่นี่เป็นเมืองช้างที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่อดีตแกได้เท้าความในอดีตเรื่องปอบนะคะว่าเมื่อสมัยก่อนนะคะคนจังหวัดอื่นโดนผีปอบเข้าสิงก็มักจะพูดกันว่าเป็นปอบมาจากจังหวัดสุรินทร์บ้างบุรีรัมบ้าง คนสุรินชอบเล่นของเล่นคุณใสทั้งที่เป็นความจริงเครื่องหนึ่งความเท็จเครื่องหนึ่งแกก็ไม่ปฏิเสธข้อกล่าวหาของคนจังหวัดอื่นที่พูดนะคะยอมรับค่ะว่าคนจังหวัดสุรินสมัยก่อนเล่นของแล้วก็เล่นคุณใสจริงเพราะว่ามีเชื้อสายแล้วก็วัฒนธรรมมาจากขเขมร น, นะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราผีปอบมีตัวตนจริงในสมัยนั้นค่ะผีปอบมาจากไหนแล้วก็ใครเป็นปอบ แกก็ได้สาธยายลึกลงไปเล่าให้ฟังเป็นรายละเอียดเลยแหลคะค่ะเพื่อความกระจาร่างนะคะว่าตามบ้านนอกคอกนาที่ห่างไกลความเจริญทุกหมู่บ้านก็จะมีหมอผีมีหมอคุณใสประจําหมู่บ้านคนพวกนี้ก็จะมีวิชาอาคมแล้วก็เล่นคุณใส<าย>มนดําบางหมู่บ้านนะคะมีหมอผีหลายคนค่ะแต่ว่าพวกเขาไม่เคยแข่งแย่งหรือว่าชิงความเป็นใหญ่ ผู้ใดจะเป็นเลิศทางศาสตร์แห่งพระเวทแล้วก็ศิลศาสตร์ต่างคนก็ต่างอยู่ทำนาทำไร่เลี้ยงครอบครัวกันไปจะอยู่กันแบบสันติแล้วก็ยังช่วยเหลือกันยามมีปัญหาเกิดขึ้นนี่แหละนะคะเป็นความเป็นตัวตนที่แท้จริงของหมอผีหรือว่าหมอคุณใสของคนไทยเชื้อสายเขมร น, นะคะแต่ว่าก็มีหมอผีหมอคุณใสที่เล่นของเล่นอวิชามนดาอยู่จนวนไม่น้อยคนประเภทนี้ ก็มักจะชอบลองของลองวิชาอาคมกับคนอื่นจนหลงตัวค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษคนกลุ่มนี้มีอันตรายมากต่อชาวบ้านแล้วก็ผู้บริสุทธิ์เมื่อหมอผีคุณใสมนดำปล่อยของปล่อยอาวิชาไปเล่นงานคนอื่น <c oughs> ก็ทำให้คนคนนั้นมีอันเป็นไปต่างๆนานาทั้งพิกลพิการเสียสติเป็นบ้าเป็นหลังหรือกระทั่งเสียชีวิตไปในที่สุดนะคะผู้ใดโดนอวิชามลดำ รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ต้องให้หมอคุณใส่ที่มีวิชาอาคมเหนือกว่าผู้ที่ปล่อยของหรือว่าปล่อยอาวิชามาใส่นะคะถึงจะสามารถรักษาเหยื่อให้หายเป็นปกติได้ค่ะผีปอบเนี่ยมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย ผู้ใดเล่นของหรือว่าเล่นคุณสายมนดําก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นปอบได้ทั้งนั้นแล้วก็ผีปอบนี่จะมาจากคนที่ร้อนอวิชาหรือว่าคุณสายมนดําเมื่อไม่สามารถคุมตัวเองได้อวิชาก็จะย้อนเข้าตัวกลายเป็นปอบไปในที่สุดค่ะแล้วก็จะสิงร่างของตนไปตลอดไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยเหมือนเงาตามตัวเมื่อไปเห็นเหยื่อที่จิตใจอ่อนไหวง่ายปอบก็จะเข้าสิงเหยื่อส่วนมากค่ะเหยื่อก็จะเป็นผู้หญิง แต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันนะที่ไปสิงเหยื่อที่เป็นผู้ชายนะคะเมื่อเข้าสิงร่างของเหยื่อแล้วก็จะสิงร่างนั้นอยู่ประจำแล้วมันก็จะคอยบังคับให้เหยื่อเนี่ยกินของดิบๆมีกลิ่นข้าวจัดแบบรุนแรงประเภทพวกเลือดสดเนื้อดิบเป็นต้นนะคะอาหารประเภททาสุกๆเนี่ยปอบมันจะไม่แตะต้องเป็นอันขาด หากว่าญาติไม่นําอาหารดิบแล้วก็ข่าวมาให้กินเหยื่อก็จะคลุมคราะห์อลาวาสคุมสติตัวเองไม่อยู่แล้วก็จะทําได้ทุกอย่างค่ะมีญาติแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อิโนอิเน่ก็ถูกทําร้ายบาดเจ็บหากว่าญาตินําอาหารดิบข่าวมาให้กินได้สมใจอยากแล้วปอบที่เข้าสิงในร่างของมนุษย์เนี่ยก็จะสงบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพี่ปอบมักจะสิงร่างของเหยื่อเพื่อกินของดิบแล้วก็ของข่าวอยู่นา น, าน จนกว่าตัวของเหยื่อเนี่ยนะคะจะมีผู้ที่เรืองเวทมาไลา่หรือว่าเหยื่อเสียชีวิตไปเมื่อ น, นั้นค่ะผีปอบก็จะผลาออกจากร่างของเหยื่อไปสิงเหยื่อรายอื่นต่อไปผีปอบในคราบของคนที่มีวิชาเล่นคุณใส่มนดำชาวบ้านที่ไม่มีเวทมนต์จะดูไม่ออกแน่หรอว่าคนนี้เป็นปอบเพราะว่าผีปอบเนี่ยจะอยู่ในคราบของคน ดูๆไปก็เหมือนคนอย่างเราๆท่านๆนี่แหละนะคะโดยนิสัยแล้วคนเล่นของหรือว่าเล่นคุณใสเป็นผีปอบประเภทมักจะอยู่ตามลำพังไม่ชอบสุงสีงกับชาวบ้านแล้วก็บางรายนะจะร่อนเร่แพจนจรไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านต่างๆถ้าว่ามันเห็นเหยื่อที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จิตใจอ่อนไหวไม่ช้ามันก็จะเข้าสิงร่างเหยื่อคนนั้นทันทีเท่าสุขเล่าให้ฟังต่อค่ะว่า แกเห็นเหยื่อที่ถูกผีปอบเข้าสิงน่าสงสารน่าเวทนามากร่างกายของเหยื่อเมื่อโดนปอบสิงอยู่นานๆก็จะสูบพร้อมซีดเหลืองเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเบ้าตาลึกกลวงโบ๋แม้แต่จะขยับร่างกายเคลื่อนไหวไปมายังไม่มีแรงนะคะแต่ที่ขับเคลื่อนมีเรี่ยวแรงมหาศาลนั้นก็เป็นเพราะว่าผีปอบได้สิงอยู่ในร่างของเหยื่อแล้วก็สำแดงฤทธิ์เดชออกมา หากว่าเหยื่อคุ้มคลั่งเกิดอรารวาสขึ้นมาเมื่อไหรต่อให้ชายชกันแข็งแรงหลายคนช่วยกันจับเหยื่อรับรองว่าเอาไม่อยู่แน่นอนค่ะไม่รู้ว่าเหยื่อไปเอาเรียวแรงกําลังวังชามาจากไหนมาต่อสู้ขัดขืนแล้วก็อาจจะสะบัดชายชกันที่แห่กันมาจับ ก, กระเด็นกระดอนกันไปคนละทิศคนละทางมีวิธีเดียวที่จะสยบริดเหยื่อไม่ให้อรารวาสได้คือต้องจับมัดนะคะมัดที่ว่านี่คือมัดแขนแล้วก็มัดขาผูกไว้แล้วก็เชิญพูดเรื่องอาคมไม่ว่าจะเป็นหมอพระ หรือว่าจะเป็นพ่อหมดหมอผีหรือหมอคุณใส่ก็ได้ทั้งนั้นขอให้แก่กล้าวิชาอาคมมาทําพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ขับไล่ผีปอบให้ออกจากร่างของเหยื่อไปค่ะพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ไล่ปอบของผู้เรืองอาคมแต่ละรายก็ไม่เหมือนกันแกได้เห็นมาหลายอาจารย์แล้วรวมทั้งหมอพระด้วยที่มาไล่ผีปอบออกจากร่างของเหยื่อโดยภาพรวมแล้วนะคะก็จะใช้เวทมนต์คาถาอาคมนี่แหละไล่ปอบแล้วก็พิธีกรรมอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบเท่านั้น บางครั้งนะคะผีปอบที่สิงร่างของเหยื่อเมื่อถูกบังคับด้วยอาคมจากผู้เรืองเวทก็จะเปล่งวาจาพูดเป็นภาษาเขมรปนภาษาไทยตามแต่ผีปอบตัวนั้นว่ามาจากถิ่นไหนเมื่อมันทนความร้อนของเวทมนต์ที่หมอผีหรือว่าหมอคุณสายเสกไล่ไม่ไหวนะคะมันก็จะพลุนผลันออกจากร่างของเหยื่อวิ่งหนีหายลับไปโดยเร็ว หรือว่าผีปอบบางตัวเมียริ์มากก็แข็งขืนไม่ยอมออกจากร่างเหยื่อไปง่ายๆผู้เรืองอาคมก็จะต้องเหนื่อยอีกหลายยกจนกว่าจะไล่ปอบออกจากร่างของเหยื่อไปแต่ว่าก็มีหมอผีหมอคุณใส่ไล่ผีปอบออกจากร่างเหยื่อไม่สาเร็จด้วยนะคะเจ้าภาพก็จะเชิญผู้เรืองเวทคนใหม่มาทำหน้าที่ไล่ผีปอบต่อไป ที่เรื่องราวความเล้นลับจากศาสตร์มืดในอดีตนั้นน่าสะพรึงกลัวคนสมัยก่อนก็เลยนิยมที่จะมีวิชาอาคมไว้ติดตัวเพื่อป้องกันศาสตร์สายดำแม้ว่าทุกวันนี้คนสุรินจำนวนไม่น้อยที่ยังนิยมเล่นของหรือว่าเล่นคุณไสยในทางลับอยู่แม้ว่าบรรพชนจะล่วงลับไปแล้วก็ตามคนรุ่นหลังที่เป็นลูกเป็นหลานบางกลุ่มค่ะยังช่วยกันสืบทอดเจตนารม์จากบรรพบรุษมาจนทุกวันนี้ เรื่องราวของผีปอบที่เท่าสุกเล่ามานี้ก็เป็นเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้นนะคะยังมีความลึกลับซับซ้อนของผีปอบเมืองช้างมากกว่านี้แกขอเล่าเป็นเพียงน้าจิ้มให้ฟังเท่านั้นแล้วก็ผู้เล่าอีกคนก็ชื่อว่าตาจิก ค, ค่ะเป็นกูรูผู้รู้ทางสายเวทเป็นคนทางภาคอีสานแกเนี่ยพูดคล่องทั้งภาษาไทยภาษาลาวแสดงว่าจะต้องมีญาติพี่น้องที่ฝั่งลาวแน่แนเลยได้เปิดเผยบางเรื่องของผีปอบนะคะให้เราได้ฟังบอกว่า พีปอบสมัยก่อนเนี่ยแกบอกว่ามีจริงแต่ว่าทุกวันนี้ปอบก็ค่อยๆหายไปไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนเล่นของหรือว่าเล่นคุณสยมนต์ดำน้อยลงนะคะจึงไม่ค่อยมีใครร้อนอาวิชามนต์ดำกันเหมือนสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา แกก็ยังคงแปลกใจแล้วก็สงสัยในการหายไปของปอบเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังเคยข้ามไปอยู่ที่ฝั่งลาวที่นั่นก็มีผีปอบเหมือนกันกันกบที่ประเทศไทยค่ะเพราะว่าคนลาวบางกลุ่มก็เล่นของเล่นคุณใสเหมือนกันกับคนไทยแล้วก็คนขเขมรมีพ่อมดหมอผีหมอคุณใสมวลขาวมวลดาเช่นกันแกได้รับว่าจ้างจากญาติคนป่วยให้มาไล่ผีปอบที่เขต จ, จังหวัดสุรินทร์ค่ะทางที่ในจังหวัดสุรินทร์มีหมอผี มีหมอคุณสายเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าเป็นแหล่งอารยธรรมด้านไสยศาสตร์ที่ลือชื่อมาตั้งแต่สมัยดึกดําบันแต่ว่าคนจ้างรายนี้กลับไม่จ้างหมอผีหรือว่าหมอคุณสายคนสุรินมาไล่ปอบตรงกันข้ามนะคะที่จ้างแกที่อยู่ถึงอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะคะที่ติด ก, กันกับชายแดนประเทศลาวด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยเงินแกก็อยากได้เมื่อมีผู้จ้างเสนอราคาแพงให้แกก็เลยตัดสินใจรับงานนี้ ทั้งที่แกเองก็ยังไม่เห็นอาการของเหยื่อเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนโดนผีปอบเข้าสิงหรือว่าอย่างไรแกเองกับหลานชายวัยว23ปีค่ที่เพิ่งศึกจากพระมาไม่นานก็ชวนกันมาเป็นเพื่อนแกกับหลานชายเดินทางมาด้วยการกับเจ้าภาพด้วยรถยนต์ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเดินทางถึงบ้านเจ้าภาพพอลงจากรถแกก็รีบบริกรรมคาถาอาคมยกเท้ากระทืบทรณี ก็เรียกว่าเป็นอีกพิธีกรรมทางศยศาสตร์นะคะเพราะว่าแกมาอยู่ที่ต่างถิ่นไกลๆที่ไม่ค่อยคุ้นเคยจะประมาทไม่ได้ต้องระมัดระวังตัวให้ดีที่สุดเพื่อมีอะไรทางศยศาสตร์ขึ้นมาก็จะได้รับมือได้ทันค่ะทางเจ้าภาพก็เดินนำหน้าพาแกกับหลานชายเดินขึ้นบ้านยังไม่ทันที่จะนั่งเลยนะคะ แกกับหลานชายก็เจอดีโดนผีปอบที่สิงอยู่ในร่างของเหยื่อตะโกนด่าด้วยคําหยาบคายสารพัดแล้วก็ยังไล่ให้แกไปจากที่นี่ด้วยทางด้านของเจ้าภาพหรือที่เรียกกันนะคะว่าเจ้าของบ้านหรือว่าญาติคนที่โดนอปอบเข้าสิงนะคะคนที่พาแกมาด้วยเนี่ยยังโดนไล่ตะเพิดให้ไปไกลๆคนป่วยรูปร่างผอมซีดเหลืองเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกค่ะมีอาการไม่พอใจคุ้มคลั่งดาทอทั้งแกกับเจ้าของบ้าน แต่ว่าลุกขึ้นมาทำร้ายคนอื่นไม่ได้เพราะว่าถูกญาติญาต์จับล่ามโซ่ที่ขาทั้งสองข้างติดไว้กับเสาบ้านนะคะคนป่วยที่ตกเป็นเหยื่อถูกปอบสิงเป็นผู้หญิงวัยกลางคนไว้ผมยาวประไล่ดวงตาทั้งสองข้างของเหยื่อแข็งกร้าวไม่เป็นมิตรกับผู้ใดเล็บมือเล็บเท้ายาวแล้วก็ดำฟันเหลืองเลยทีเดียวคงไม่ได้แปลงฟันมาหลายเดือนเป็นแน่เท่าจิกกล่าวต่อค่ะว่าจะไม่ลงลึกในรายละเอียดในการไล่ปอบให้ฟังได้ถี่ถ้วนมากนัก ปิดบางเรื่องไว้เป็นความลับบางประการแกรักษาคนป่วยไล่ผีปอบตัวนี้ที่มาจากสุรินให้ออกจากร่างของเหยื่อนานเป็นอาทิตย์ค่ะเพราะว่าปอบตัวนี้เนี่ยมันใช้อารยะขัดใจคือไม่ยอมออกจากร่างของเหยื่อง่ายๆแกก็เลยต้องออกแรงเหนื่อยแล้วก็อดทนหนักกว่าจะไล่ปอบตัวนี้ออกจากร่างเหยื่อได้ผีปอบตัวนี้มันว่องไวมากแกจับใส่หม้อไม่ทันพอมันปลุกออกจากร่างเหยื่อแค่เสี้ยววินาทีค่ะมันวิ่งหนีลงจากบ้านเร็วปานลมกรด มันเป็นปอบผู้ชายแล้วแกก็เชื่อว่าจะต้องเป็นผู้มีวิชาอาคมพอตัวแน่คนป่วยแม้ว่าปอบจะออกจากร่างไปแล้วแกก็เอาได้สายสินเสกอาคมผูกกับข้อมือข้อเท้าแล้วก็ห้อยคอไว้เพื่อป้องกันปอบไม่ให้มาเข้าสิงอีกนะคะแล้วก็เหยื่อยังต้องใช้เวลาพักฟื้นเพื่อที่จะให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะ เท่าจี ก, กับหลานก็ต้องยังเฝ้าดูอาการของเหยื่อต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจนแกแน่ใจแล้วล่ะนะคะว่าปอบตัวนี้ไม่หวนกลับมาสิงร่างเหยื่ออีกแกกับหลานชายก็มาอยู่ที่บ้านเหยื่อนานกว่า2เดือนนะคะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติไม่มีท่าทีว่าปอบตัวนั้นจะหวนกลับมาเข้าสิงเหยื่ออีก ก็เลยหมดภาระของแกค่ะเจ้าภาพก็ได้มอบเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แกเต็มตามที่ตกลงกันไว้พร้อมกับขับรถพาแกกับหลานไปส่งที่บ้านที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญด้วย นอกจากเท่าจิกจะไล่ผีปอบแล้วนะคะแกก็ยังรับอาสาทำรรทุกอย่างที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ทั้งมนขาวแล้วก็มนดําแต่ว่าน่าเสียดายคะ่ะทุกวันนี้เท่าจิกวางมือไม่ได้เป็นหมอคุณใสแล้วเนื่องจากว่าอายุมากขึ้นตามสังขารยุบหนอะพองหนออีกไม่ช้าแกก็จะเป็นไม้ใกล้ฝั่งก็คงจะจากลูกหลานไปอย่างไม่มีวันกลับมาอีกชั่วนิจนิรันด์นี่ก็เป็นเรื่องผีเกรดเล็กเกรดน้อยของผู้เล่าที่ผ่านประสบการณ์จากเรื่องจริง ได้ถูกถ่ายทอดในชาแนลพระเจอผีที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะแล้วก็เพื่อความบันเทิงค่ะเรื่องราวของจังหวัดสุรินยังไม่ได้หมดอยู่แค่นี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะพาไปที่อำเภอลํำปลายมาดเป็นเรื่องของผีอดีตหมอคุณสายเป็นหมอผีคนไทยเชื้อสายขเขมรต่าอดีตเคยเป็นผู้เรืองอาคมสายดาแล้วก็สายขาวมีชื่อพอตัว ตามเนื้อตามตัวของหมอผีเนี่ยจะสักยันลงอัขระอาคมปลุกเสกของดีไว้ชนิดอยู่โยงคงกระพันชาตรีมีดแทงไม่เข้าปืนยิงไม่ออกใช้เวทมนต์ฆ่าศัตรูตายสนิทและหมอผีก็มักจะมีเมียหลายคนหญิงแต่ละคนค่ะต่างโดนมหาเวทอมมหาละลวยยอมพลีกายทอดตัวให้เชยชมนี่แหละนะคะเป็นอีกความสามารถของหมอผีผู้มีอาคม ขอแนะนำนะคะผู้เปิดเผยเรื่องราวที่ผ่านมาของอดีตหมอคุณสยสมมุติชื่อว่าลุงบุญค่ะดั้งเดิมพ่อเป็นคนขเขมรต่าเป็นผู้เรืองอาคมซึ่งคุณพ่อของลุงบุญเนี่ยนะคะได้ข้ามฝั่งมาเที่ยวที่ไทยเกิดชอบอกชอบใจคุณแม่ที่เป็นคนไทยแต่ว่าจีบไม่ติดค่ะเพราะว่าแม่ไม่ชอบคนขเขมรต่ำพ่อจึงเรียนทางลัดค่ะใช้อาคมเป่าลงไปโอมมหาละรวยแล้วก็ใช้ขี้พึ่ง หรือว่าสีพึ่งเนี่ยนะคะทาปากเสกอาคมใส่แม่เท่านี้แหลคะค่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนคุณแม่ของลุงบุญก็เลยตกเป็นเมียของคุณพ่อไปโดยปริยายนะคะแล้วก็มีทายาทสืบสกุลเป็นพวกลุงบุญนี่แหละนะคะให้ลืมตาดูโลกพ่อไม่กลับไปฝั่งขเขมรต่ําอีกเลยตั้งแต่ได้แม่เป็นเมียแต่ว่าเบื้องหลังอดีตของพ่อผู้เล่าก็คือพ่อของลุงบุญนะคะพ่ออยู่ฝั่งขเขมรต่ํามีเมียชาวขเขมรหลายคนคะ่ะสาวขเขมรตัวดํา แต่ละคนที่พ่อได้มาเป็นเมียพ่อจะโชว์ฝีมือทางคุณสยใช้เวทมนต์มีพุทธคุณทางเมตตามหาสเสน่ห์เป็นตัวช่วยทั้งนั้นพ่อไม่เคยได้เมียมานอนกอดด้วยความสามารถของตนเองซึ่งเป็นนิสัยของคนมีวิชาอาคมมักจะได้เมียมาทางรัดเพราะถือว่าตนเองมีอาคมค่ะจึงต้องใช้พระเวทให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่อย่างนั้นจะเรียนวิชาอาคมมาทําไมถูกไหมคะโดยส่วนมากผู้ที่เล่นของ หรือว่าเล่นคุณใส่มวลขาวมวลดาชาวบ้านจะเรียกตามอายุของผู้เรืองอาคมอาทิพ่อหมอบ้างพ่อปู่บ้างอาจารย์บ้างนะคะเมื่อคนเหล่านี้เสียชีวิตลงศพที่เก็บไว้ตั้งสวดพระอภิธรรมหลายคืนก็จะไม่ค่อยเน่าเปื่อยหรือว่าเวลาที่เรานําร่างของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไปชาปนกิจนะคะหรือว่าไปเผาในป่าช้าศพมักจะไม่ค่อยไหม้ทั้งที่ไฟเผาศพก็แรงมากเหลือเกิน สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากอาคมของผู้ตายนั่นเองจนยศยญา ต, ต้องยกมือไหว้เหนือศีรษะก็เอ่ยปากบอกกล่าวไปยังดวงวิญญาณของคนตายบอกว่าพ่อหมอจงอย่าได้ห่วงใยคนข้างหลังเลยตายไปแล้วขอให้ไปอยู่สุขสบายเถอะเท่านั้นแหละนะคะศพถึงไม่เรื่องนี้ลุงบุญบอกว่าแกเห็นด้วยลูกตาของแกเองแกเล่า ว, ว่าเหตุที่พ่อตายไม่มีใครเห็นคือพ่อนอนหลับอยู่ดีๆกับแม่ก็เสียชีวิตไปเฉยๆเลย ไม่ได้ทนทุกข์ทรมานก็เรียกว่าพ่อตายอย่างสบายนะคะซึ่งการตายแบบนี้คนโบราณจะบอกว่าเป็นการตายของผู้มีบุญค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนมีบาปมีกรรมก่อนจะเสียชีวิตต้องล้มป่วยทนทุกข์ทรมานต่างๆนานาเพราะว่ามีบาปกรรมมารุมเร้าเล่นงานฉะนั้นการตายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็กรรมของแต่ละคนที่ทาไว้ในอดีตแล้วก็ปัจจุบัน ลุงบุญเปิดเผยค่ะว่าพ่อเป็นคนมีวิชาอาคมแล้วก็ของดีเมื่อนําศพพ่อไปเผากว่าไฟจะไหม้ร่างของพ่อเหลือแต่เท่ากระดูกใช้เวลานานเกือบทั้งวันคะ่ะเนื่องจากว่าพ่อเนี่ยสักยันแล้วก็ลงอัขระอาคมทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจรวดปลายเท้าพ่อตัวดําอยู่แล้วเมื่อมาสักยันยิ่งตัวดําหนักกว่าเดิมเข้าไปอีก สมัยก่อนคนเล่นของหรือว่าเล่นคุณใส่มักจะนิยมสักยัน์แล้วก็ลงอัคระอาคมพ่อก็เช่นเดียวกันนะคะกับหมอผีคุณใส่คนอื่นวันที่เผาคุณพ่อเนี่ยมีเพื่อนพ่อที่เรียนวิชาอาคมจากครูบาอาจารย์เดียวกันมาร่วมงานด้วยแกได้เห็นบางส่วนของเพื่อนพ่อสักยันเต็มไปหมดแกก็ไม่กล้าถามเพื่อนพ่อคนนี้เพราะว่าดูจากแววตาสีหน้าดุดันหน้ากลัวเหลือเกินคนมีวิชาอาคมจะไม่ค่อยพูดมากค่ะสงบปากสงบคํา แล้วก็ไม่พูดโอ้อวดว่าตนเองเก่งวิชาอาคมอย่างนั้นเก่งแบบนี้จะวางตัวเคร่งขรึมสมกับเป็นหมอผีหมอคุณใสพูดเรื่องอาคมแล้วก็จะใช้วิชาอาคมต่อเมื่อยามฉุกเหุกหรือว่าจําเป็นเพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นหลังจากที่เผาคุณพ่อเสร็จวันรุ่งเช้าแม่แล้วก็ลูกหลานตลอดจนพี่น้องก็พากันเก็บเท่ากระดูกของพ่อ ก็มีหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดมาสวดบังสกุลให้พ่อด้วยก็ปรากฏข่าวว่ามีผิวหนังบางส่วนซึ่งเป็นบริเวณหน้าอกของพ่อซึ่งมีรอยสักยัน แล้วก็มีอักขระภาษาขอมติดอยู่ใหญ่ประมาณเท่าฝ่ามือยังคงหลงเหลือไฟไม่ไม่ทั่วถึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะคะทั้งที่อวัยวะร่างกายส่วนอื่นๆของพ่อเนี่ยคือไฟไหม้หมดแล้วแกก็เลยเก็บหนังส่วนนี้ของพ่อไว้บูชาแล้วก็เท่าอัฐิของพ่อนำมาบรรจุไว้ที่เจดีย์ที่สร้างไว้ท้ายวัด ทุกวันพระแม่ก็จะพาลูกๆหลานๆมาจุดทูบกระาษไหว้กระดูก ข, ของพ่อเป็นประจำเรียกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยล่ะค่ะลุงบุญเล่าต่อนะคะว่าหลังจากที่เผาพ่อแล้วก็มีชาวบ้านเคยเห็นพ่อปรากฏตัวตอนกลางคืนหลายครั้งรูปลักษณ์การมาของพ่อนี่ไม่ดุดันไม่เหมือนผีทั่วไปพ่อจะมาแบบเรียบๆคือเหมือนคนทั่วไปนี่แหละคือจะสูบยาเส้นพ่นควันขมงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพ่ออยู่แล้ว ก่อนที่ดวงวิญญาณของพ่อจะปรากฏตัวตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะชาวบ้านก็จะได้กลิ่นเหม็นควันยาเส้นก่อนสักครู่หนึ่งก็จะปรากฏร่างของพ่อให้เห็นพ่อจะไม่หลอกชาวบ้านเพียงแต่ว่ามาให้เห็นตัวตนของพ่อเท่านั้น แต่ถ้าเกิดนะคะว่าใครที่ปากเปราะค่ะพูดอวดดีท้าทายอยากจะลองดีกับพ่อเมื่อ น, นั้นแหละพ่อถึงจะสําแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นเป็นผีรูปร่างหน้าขยะขยั่งรับรองได้นะคะว่าคนคนนั้นต้องจับไข้หัวโกรนแน่นอนค่ะแกเคยได้ยินข่าวจากชาวบ้านเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยเห็นกับตาตัวเองมีหมอผีคนต่างถิ่นมากับลูกศิษย์สามี่คนแอบมาตอนกลางคืนมาทําพิธีสะกดดวงวิญ ญ, ญาณของพ่อที่สถูปเจดีย์ท้ายวัด ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความต้องการของหมอผีรายนี้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรนะคะถึงกับต้องมาสะกดดวงวิญญาณของพ่อด้วยพอรู้ข่าวใจคอไม่ดีก็เลยรีบมาสํารวจดูสถูปอัฐิของพ่อก็ปรากฏนะคะว่าเจดี JD บางแห่งมีรอยร้าวยาวเกือบศอกทุกอย่างปกติดีไม่มีรอยทุบรอยหรือเจดีเอาอัฐิของพ่อไปแสดงว่าพวกมันทางานไม่สาเร็จ ก็น่าเชื่อได้นะคะว่าพ่อคงจะปรากฏตัวออกมาขัดขวางทําลายพิธีกรรมของหมอผีชั่วคนนี้ซะก่อนก็เลยทําให้หมอผีเนี่ยลมเลิกพิธีกรรมนี้แล้วก็พากันหลบหนีไปยังมีหลักฐานที่พวกมันนํามาประกอบพิธีกรรมหลายอย่างเหมือนกันนะคะสิ่งของที่พวกมันทิ้งไว้ให้แก่กับแม่แล้วก็พี่น้องดูต่างหน้าหลักฐานเหล่านั้นพวกแกได้นําไปทําลายแล้วก็เอาไปเผาไฟทิ้งหมดเรียบร้อย หลวงพ่อแล้วก็คนเท่าคนแก่ยังได้เล่าให้แกฟังค่ะบอกว่าคนที่มีวิชาอาคมเมื่อตายไปดวงวิญญาณจะดุแล้วก็เฮี้ยนมากต่อให้หมอผีมากำจัดหรือว่าอ่ามาปราบยังไงก็ยังสยบไม่ได้ต้องให้พูดเรื่องอาคมเหนือชั้นกว่ามาปราบถึงจะสำเร็จค่ะและทุกวันนี้มีหมอผีที่เรื่องอาคมระดับจอมขมังเวทสักกี่คนและค่อนข้างจะหายากขึ้นทุกวันเนื่องจากว่าหมอผีอายุก็มากกันแล้วหลงห ล, ลงลื ม, ลม บริกรรมท่องอาคมผิดๆถูกๆแล้วเวทมนต์จะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังได้อย่างไรหรือว่าบางคนนะคะก็อาจจาล้มหายตายจากไปแล้วก็ได้เหมือนกันการที่จะปราบผีหมอคุณไสยนั้นยากนะคะมีเพียงอย่างเดียวถ้าไม่อยากจะให้หมอผีคุณไสโผล่มา阿拉วาดหลอกล้อนอยากคิดได้ไปตอแย ก, กับคนตายเป็นอันขาดปล่อยให้ผีหมอคุณไสยอยู่เฉยๆดีแล้วจะได้ไม่ต้องพากันเดือดร้อนค่ะ แล้วแกก็มารู้ทีหลังด้วยนะคะว่าหมอผีกับลูกศิษย์ที่มารังควานดวงวิญญาณพ่อที่สถูปเจดีย์ท้ายวัดมีอันเป็นไปต่างๆนานาซึ่งตัวของหมอผีผู้ที่เป็นลูกพี่จบชีวิตอย่างอนาถตกบันไดบ้านลงมาตายหงค่ะก่อนจะตายตาลูกเบิกโพรงลูกในตาถลนลิ้นจุก ป, ปากมีเลือดไหลออกทวารทั้ง9้าส่วนลูกศิษย์ขวัญ น, นี้ดีฝออาการก็ปั๊มๆเป๊ะๆคล้ายคนเสียสติแต่ว่าไม่ได้เป็นบ้านะ แล้วก็จะพูดคนเดียวตลอดนะคะสำหรับอาการของสองคนนี้เชื่อว่าคงจะถูกดวงวิญญาณของพ่อลงโทษฐานไปอวดดีถึงในวัดว่าแล้วก็น่าสงสารพวกเขาอ่ะเนาะแต่ว่าบางความรู้สึกนะคะลุงแกก็บอกว่าก็สมควรแล้วละ่ะที่ถูกลงโทษอย่างสาสมครั้นเวลาผ่านมาก็ไม่มีใครเห็นดวงวิญญาณของพ่ออีกเลย แกก็เชื่อนะคะว่าพ่อคงจะไปเกิดแล้วล่ะจากนั้นแม่ก็มาเสียชีวิตลูกหลานก็ทำศพให้แม่อย่างสมเกียรติไม่แพ้กับงานศพของคุณพ่อแล้วก็ยังบวชหน้าศพให้แม่ด้วยเพื่อส่งวิญญาณของพ่อและก็ของแม่ไปอยู่ด้วยกันบนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าที่แกเชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อแม่ของผู้เล่าทาแต่คุณงามความดีเข้าวัดทาบุญมิเคยขาด บุญแล้วก็ความดีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยหนุนให้ทั้งสองไปสวยสุขบนสวรรค์ตามความเชื่อของลูกหลานที่เป็นชาวพุทธนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของผู้เล่าที่ได้พบเห็นในอดีตนะคะนำมาถ่ายทอดแล้วก็เล่าให้เราได้ฟังคุณผู้ฟังจะเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณหรือไม่ก็ให้ใช้วิจารณญาณไต่ตรองให้รอบคอบด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพูดผีปิศาจเก้าผี 9, P, 9จังหวัด9อำเภอขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการของเราด้วยในช anel พระเจอผีนะคะอย่าลืมกด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามช่องให้เราด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าชอบหรือว่าถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ